ด้วยความเรียบร้อยในทุกๆด้านที่ลุงปู่แอบพาชาวบ้านตรตรียมไว้อย่างแงบเนียนและศรัทธาท่านพระจารย์มั่นี่อยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นเวลา น, านานติดต่อกันถึงหพรรษาตั้งแต่ตีพุทธศักราช2488ถึง2492จนกระทั่งท่านอ า, าพาธหนัก และออกไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสอําเภอเมืองสกลนครเป็นเหตุให้วัดป่าบ้านหนองผือใช้ชื่อเป็นทางการว่าวัดภูริทัตตาธิรารวาสในปัจจุบันเมื่อท่านพระจารมันเข้าพักที่วัดป่าบ้านหนองผือเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ซึงออกจากบ้านห้วยบุญเข้ามากราบนมัสการ และได้รับอนุญาตให้อยู่จำพรรษาปีพุทธศักราช2488ร่วมกับท่านพระจานมั่นพร้อมกับท่านพระจารย์พระมหาบัวยาณสัมปโนและท่านพระจารย์วันอุตมโมในระหวาห่างดูแลและพรรษา ต, ต่อมาหลวงปู่ได้ออกไปผักวนเวียนอยู่ ร, บรอบๆบ้านหนองผือเช่น บ้านอุนดงบ้านอุ่นโคบ้านโคกมะนาวบ้านห้วยบุญบ้านนาเหลาโดยถือวัดปา่าบ้านหน้องหือเป็นจุดโุรกลางเพื่อเข้ามารับการศึกษาปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่นเป็นปกติตราบจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นดับขันเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ถวายเพิง เมื่อวันขึ้นสบสาค่ำเดือนสาพุทธศักราช2อง3วันที่ส1มอมกราคมเสร็จงานแล้วหลวงปู่ก็ร่อนแรมวิเวกพุดงได้ะจะับภาษาเรื่อนไปในจังหวัดเลยชกนครขอนแก่นการได้อยู่ศึกษาใกล้ชิดท่านประจานมั่นทำให้หลวงปู่ได้รับการถ่ายทอดธรรมะและการปฏิบัติ อย่างละเอียดลึกซึ้งและจะกล่าวยกย่องท่านพระจารย์มั่นก่อนเทศนาทุกครั้งท่านมีความเคารพเรื่มใสศรัทธาละท่านพระจารย์มั่นในด้านของจิตใจความเด็ดเดี่ยวทางธรรมะไม่เห็นกันนาใครความเป็นผู้มีอำนาจในทางธรรมะเป็นผู้รักความสะอาดเป็นผู้มีจิตที่ตื่นอยู่ด้วยความรู้มีสติปัญญารอบครอบ มีอริยธรรมวังมั่นในสันดานไม่หวั่นไหวมีความสันโดษสรุปได้ว่าท่านพระจารย์มั่นบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเป็นที่ถูกกับนิสัยของลุงปู่อ ย, อย่างยิ่งนอกจากลุงปู่จะเคารพ บ, บูชาท่านพระจารย์มั่นแล้วท่านยังสั่งสอนให้ชาวบ้านผู้จักปรักและภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านพระจารย์มั่นได้ฝากร่องรอยไว้ด้วย เช่นกุฏิสาลาธรรมบริเวณวัดทางจงกรมท่านขอชาวบ้านรักษาดูแลให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนสมัยท่านพระจารย์มั่นยังอยู่ปัจจุบันกุฏิที่ท่านพระจารย์มั่นเคยพักซึ่งหลังคามงด้วยแผ่นไม้นั้นกรมศิลปา ก, กรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไว้แล้วมีความเพียร มุ่งมัน่นตั้งแต่บวชหลวงปู่มันทำความเพียรอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้อุบายวิธีที่มีเหตุมีผลในการปฏิบัติจิต ภ, ภาวนาถ้าจะมุ่งมัน่นเร่งรีบทำความเพียรโดยไม่ประมาทเพื่อได้รู้ได้เห็นความจริงจากอุบายวิธีนั้นๆเช่นเมื่อหลังจากออกปัรษาที่เก้าซึ่งปีนั้นท่านจะปรรษาที่ทำผลงามบ้านหนองสไน อำเภอกุตบาทจังหวัดสกลนครท่านได้อุบายการภาวนาจากไม่ชีจันทร์และไม่ชี้ยอที่วัดป่าบ้านสองคอนใช้เป็นหนทางในการพิจารณากายาลูกปั ส, สนาสติปัฏฐานซึ่งปู่เรียกอุบายวิธีการนิวามางกายคือการพิจารณาแยกอวัยวะ ร่างกายออกไปส่สวนเหมือนกับการรื้อบ้านออกจากกันทั้งหลังซึ่งเมื่อท า, าให้มากทำเสมอเสมอแล้วจะเกิดปัญญาจนเข้าใจในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เมื่ออุบายวิธีมางกายแล้วหลวงปู่ก็กลับขึ้นเขาเข้าป่าลจะจับปรรษาองค์เดียวซึ่งหน่วยปกติถ้าไม่ได้อยู่กับครูอาจารย์ ท่านจะไม่จำภาษาซ้ำที่เดิมแต่คราวนี้ท่านกำลังจดจ่อในความเพลียนไม่ต้องการพรวงประการเดินทางเป็สถานที่ซึ่งยังคงจำภาษาที่ทำผลงามอีกและฝึกหัดมังกายอย่างเต็มที่เอาจริงเอาจังจนมีกำลังทางจิตท่านจึงใช้วิธีมังกายอยู่เสมอตลอดมาและพยายามแนะนำสั่งสอนชักจูงสิทธิให้ปฏิบัติ ด, ด้วย ในบันทึกของลุงปู่ที่กล่าวถึงการทําความเพียรของท่านในสถานที่บางแห่งมีคําว่าเกือบเสียหรือแก้บาสซึ่งเป็นความหมายเฉพาะตัวของท่านไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจกันคําว่าเกือบเสียหรือแก้บาสของท่านหมายถึงการภาวนาจนจิตลงถึงอัปปนาสมาธิเมื่อถอนออกมาเกิดดิมิตรรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ และมิได้พยายามปล่อยวังนิมิตคงเพลินไปตามนิมิตนั้นก็จะเสียหรือบ้าไปเลยจึงต้องมีการแก้บ้าหรือแก้ไม่ให้เสียโดยใช้ไตลักษ์เข้าพิจารณาให้เห็นเป็นทุกข์อนิจจังอนัตตาให้จิตเป็นกลางแล้วจิตจะเด่นดวงมีปฏิหาริย์แกลาปรามากหลงปู่กล่าวว่าเมื่อทำความเพียรที่ทโพนงาม ปีพุทธศักราช2477นั้นเกือบเสียทันว่าถ้าได้ฟังเทศนาของท้าพระการมั่นในขณะนั้นท่านอาจได้สำเร็จอรหันต์หมายความว่าตอนนั้นจิตของหปู่เด่นดวงมากปกติหลวงปู่ชอบเดินทางแต่เมื่อต้องพักอยู่ในสถานที่ใดนานๆและพอจัดได้ท่านจะใช้อุบาย เปลี่ยนสถานที่ไม่ให้จำเจโดยให้จัดทำทางจงกลมและที่ภาวนาไวาถึงสามหรือสี่แห่งสำหรับเดินจงกลมภาวนาในเวลาเช้าบ่ายเย็นและกลองคืนไม่สําที่กันในแต่ละเวลาแม้จนถึงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีแล้วบนหลวงปู่กลับไปจะปั่ษาที่ส9ที่ถ้ำกลองเพนกับหลวงปู่ขาว แล่ได้อุบายจากหลวงปู่ขาวซึ่งท่านเรียกว่าการหมางอนุสัยคือพยายามตรตค้นลงไปในจิตให้เห็นถึงส่วนลึกของจิตให้เห็นนา ม, มาธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเหมือนตะกอละเอียดนอนก็อยู่ใต้น้ำแต่เป็นสิ่งที่ข้องข้างคาอยู่แน่นแฟนกับจิตจะต้องรือถอนสิ่งนั้นออกจากจิตให้ได้หลวงปู่ก็พบว่าอนุสัยของท่าน ได้แก่การที่ท่านปรารถนาพุทธภูมิต้องการจะเป็นพระปัิเจตอพุธเจ้าพุทตสรุเองและได้อยู่อย่างสงบสงัดไม่ต้องสั่งสอนใครซึ่งท่านว่าท่านกความปรารถนาอันสูงจงแต่ทว่าแต่ลาช้านั้นแล้วหากึางฝังราดลึกค้างคาจิตอยู่ท่านต้องกำหนดจิตแน่วแน่สาธละเอียดเด็ดขานลงไปจนได้ ท่านจึงมุ่งไปจำภาษาที่40ที่บ้านกกกอเาเภอวังสะพุงจงเลยและปารับความเพลี่ยนอย่างยิ่งยวดภาวนาแบ่งสามเวลาคือวันหนึ่ ง, งภาวนาตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงทบคำ่ำเวลาหนึ่งตั้งแต่ค่ำถึง4ทุ่มเวลาหนึ่งหลัง4 2ไปจนสว่างเวลาหนึ่งพักนอนเฉพาะเวลา4ทุ่ไปถึง4 2 เป็นการแข่งกับเวลาที่ล่วงไปพร้อมกับอายุความฉราดของท่านและอากาศไข้อาภาษที่เกิดบ่อยขึ้นด้วยวิธีการภาวนาโกลงปูรเระยะสาคัญชุดยอดนั้นท่านได้อธิบายความโดยสรุปไว้ว่าหมังกายให้ฉลาดหมังกายด้วยใจรักหมังอนุสัยให้ฉลาดทางจิตและเจตสิกรวมทั้งสองประเทศ แจ้เกิดในไตรภพบว่าเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาโดยธรรมะสองประเภทชำ ร, ระกิเลสออกจากดวงจิตจนเห็นไม่ถือไปเกิดอีกในพบหน้าม้วนกลมในปัจจุบันพระหันไม่ก่อ ก, กิเลสในปัจจุบันและกิเลสทั้งอดีตอนาคตไม่ทำกิเลสเกิดขึ้นในปัจจุบันสวยความสุขในปัจจุบันกว่าจะดิพานในครั้งสุดท้ายหลอรถ รอเรือจะไป น, นิพพานสิ้นพบสิ้นชาติทำความรู้แจ้งแทงตลอดเยียวยาธรรมในปัจจุบันนี้ทีเดียวสมถะและชอบวิเวกเป็นที่ทราบกันดีว่านุ้งปู่หลุยเป็นผู้อยู่ง่ายไปเร็วสถานที่ท่านจะพักทำความเพียร น, นั้นท่านจะพิจารณาสัปะยะเพียงสามข้อแรกคือสถานที่ ชวนให้ดูดดื่มในการภาวนาดีอากาศปอดโป่งดีบุคคล ด, ดรีรู้การรู้สิ่งที่ควรประเคนไม่ก็ามาวุ่นวายขณะทำความเพียรส่วนเรื่องอาหารท่านแทบจะไม่สนใจเลยเพียงบัญญาติได้ตามมีตามเกิดก็พอท่านเห็นว่าการเปลสถานที่ทำความเพียรไปเรื่อยๆจะทาจิตเปออยู่เสมอในการเดินทางไปเที่ยว ก, กรรมฐานของท่าน จะไปผู้เดียวตลอดจะมีพระเนรติดตามบ้างเป็นบางครั้งก็ในระยะพุทธศักราช 2,500 ร่่งแล้วนี้เพราะท่านอายุมากขึ้นที่ใดที่ท่านได้ไปอยู่เพียงรูปเดียวท่านจะอยู่ได้นานถ้ามีพวกอยู่ด้วยมากท่านจะอยู่ไม่นานอย่างที่ท่านบันเทึกไว้เมื่อพุทธศักราช 2,508 ทั้งหยุดทาแก้งยาวว่า เมื่อประวารณาออกภาษาแล้วหมู่เพื่อนสัตยธรรมนิกน้อยองค์วิเวทดีจึงเห็นคุณของวัดป่านี้ว่าตงหัดดีภาวนาดีกว่าที่ อ, อื่นๆเบากายเบาใจเกิดความรู้ขึ้นหลายอย่างอยากอยู่ต่อไปลักษณะด้านเดิมอย่างหนึ่งของหลวงปู่คือในการออกเดินทุดงท่านไม่ใส่รองเท้าเพราะต้องการให้การเดิน ทุกก้าวได้สัมผัสดินและกรวดหินเป็นการเจริสติให้รู้ตัวทุกกิริยาบดถึงปลูกพอใจอยู่ตานที่สงัดคืออรันเปล่าวปากหรือแนวภัยบ้างลุกขมูลโผลไม้บ้างตามภูเขาชอกเขาบ้างปวดภูเขาบ้างละชอกฐานบ้างใน ถ, าาถ้าบ้างตามเนื้อถ้าเนื้อผาบ้างตามสุดสารป่าช้าบ้าง ในที่ป่ารกชัดบ้างตามลานหญ้าหรือระลานหินที่แจ้งบ้างสุดแท้แต่จะสะดวกแก่การภาวนาใน แ, แต่ละคราวของท่านแม้ที่บางแห่งจะกันดานน้ำต้องใช้น้ำเพียงกาเดียวทั้งเดิมหลางหน้ารูปตัวจักผ้าและล้างคร้าในแต่ละวันหรือถึงสองสามวันท่านก็อยู่ได้ถ้าการภาวนาในที่นั้น เป็นไปได้ด้วยดีหลวงปู่ชจารละเสริญการทุดงและเสนาสนะป่าอยู่เสมอดั่งท่า น, นบันทึกไว้ว่าเห็นต้นไม้ภูเขาป่าใหญ่จิตใจตื่นเต้นวยสติทุกอริยาบททั้งวิเวกใชงัดด้วยไตรทวารประกอบด้วยภัยอันตรายต่างๆสะดวกแก่การภาวนาจิตใจถึงมักผลได้เร็ว ไม่มีนิวรณ์ตามระปวนลุงปู่เปรียบประดุจพญาช้างที่พอใจในการซอกซอนซ่องตัวอยู่ในป่าลึกไม่เคยยอมออกมาพบกับความเจริญของบ้านเมืองจนลวงเข้าสู่ปชิมวัยอายุกว่าเจ็ดสิบปีท่านจึงรับมีมนเข้ากรุงเทพความสมถะไม่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยของงปู่จะเห็นได้อีกครั้ง เมื่อท่านไปพำนักจัภาษาที่สวนบ้านอ่างอําเภอมะขามจังหวัดจันท บ, บุรีขณะนั้นเป็นเวลาหน้าฝนฝนตกหนักมากแต่ท่านก็ห้ามปรามไม่ให้ไปซื้อหาวัสดุจากข้างนอกมาทำทิพพักให้ท่านท่านให้จัดหาวัสดุในสวนตามแบบตามมีตามเกิดเท่านั้นในที่สุดก็ได้สติไรกรรมหนึ่งหลังกับกระท่อมไม้ไผ่มุงด้วยหญ้า ห้าท่านเนตติดตามได้ผกซึ่งปู่พอใจสถานที่นี้มากอ่อนน้อมผอมตนหึวงปู่หลุยเป็นผู้มีความอ่อนน้อม่อมตนอย่างยิ่งในการปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์และพระผู้ใหญ่ทางนี้เพราะท่านได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุธโธ ว, ว่าให้ปฏิบัติง่ายๆแต่ทาได้ยาก สี่ประกาศคือ 1. ซึ่งก่อนอาจารย์ 2. นอนที่หลังอาจารย์ 3. าชั้นที่หลังอาจารย์4ีชั้นเจ็จก่อนอาจารย์ท่านเล่ปฏิบัติรับใช้ท่านพระอาจารย์บุญพระอาจารย์องค์แรกของท่านมาตลอด6กถึงเปีและเมื่ออยู่กับพระผู้ใหญ่รูปใจท่านก็จะปฏิบัติเช่นนั้นให้พระเนตรุ่นหลังได้เห็นเป็นตัวอย่าง ท่านจะถอมตนอยู่เสมอเช่นเวลาอยู่กับท่านพระจารย์มั่นท่านว่าท่านเป็นประดุจเขียงเช็ดเท้าของท่านพระจารย์เท่านั้นแต่ความสนของท่านท่านโกรธไม่ได้ที่วันหนึ่งท่านแอบมังกายท่านพระจารย์มั่นเพื่อแอบดูจิตของท่านพระจารย์มั่นจนเคยถูกท่านพระจารย์มั่นดูเอาหมืนกันความอ่อนน้อมถ่อมตนของหลวงปู่นั้นเป็น ที่ประทับใจของคนไทยท่านหนึ่งที่อยู่ในนครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นผู้นิมนต์หลวงปู่พร้อมด้วยพระจ่าท่านอื่นไปทำบุญที่บ้านปรากฏว่าหลวงปู่เป็นผู้ไปถึงก่อนนุ่งปูชอบฐานะสโมโภคผู้เป็นเพื่อจัดทำมิกของท่านไปถึงหลวงปู่หลุยก็ได้มาช่วยล้างเทา้าและเช็ดเท้าให้นุ่งปู่ชอบท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบคุณจะทำสงกว่าท่าน ท่านต้องปรนิบัติทรับใช้ทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนั้นหลวงปู่หลุยท่านภาษาสิบสิบกว่าอายุก็มากถึงห8สปีแล้วคุณธรรมก็มีอย่างเรือล้นท่านยังคุกเข่าล้างเท้าเช็ดเท้าให้หลวงปู่ชอบด้วยอย่างนอบน้อมนอกจากนั้นหลวงปู่หลุยยังชอบที่จะกล่าวสารเสริญหลวงปู่ชอบในความกล้าหาญเด็ดเดียวมีธรรมะคมในปาก ดนโดให้ญาติโยมลูกศิษย์ได้ยินได้ฟังและได้ดำเนินต่อตามอยู่เสมอเป็นการยืนยันถึงอุปนิสัยผอมตนของท่านที่ชอบยกย่องผู้อื่นมากกว่าพูดถึงตนเองเมื่อจือตัวก่อนเข้าพรรษาที่53ปีพุทธศักราชสองพันหลูกปู่หลุยใช้พักอยู่ที่วัรควรเจดีจังหวัดสงขลา ได้เกิดอากาศอาพาธเจ็บที่คอรักษาอยู่นานก็ไม่หายพระจ า, า, า, ารย์ทิวาอาพาโครสับข่าวจึงเดินทางไปรับเพื่อจะนํามารักษาที่กรุงเทพก่อนเดินทางหลงปู่ได้บังคับให้พระจารย์ทิวาทําทสัญญาสุภาพบุรุษกับท่านก่อนว่าต่างคนต่างเป็นอนาคาริศไม่มีที่อยู่เดินทางไปเรื่อยผู้เดียวไม่มีลูกศิษย์ดังนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเกิดอาพาธ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเดินทางมาดูแลกันกล่าวคือหลวงปู่อาพาธพระจารย์ธิวามาดูแลท่านแล้วหากพระจารย์ธิวาอาพาธก็จะต้องยอมรับให้ลวงปู่มาดูแลด้วยจยงจเท่าเทีอมกันไม่อปิเรกกันซึ่งพระจารย์ธิวาจำต้องยอมรับสัญญา ด, ดังกล่าวมิฉะนั้นหลวงปู่จะไม่ยอมรับความปรารถนาดีจากพระจารย์ธิวาเป็นแน่ แสดงให้เห็นถึงความม่ถือตัวคนหลวงปู่แม้ท่านจะเป็นพระเทระผู้ใหญ่มีภาษาถึง5้าสิบสาภาษาแล้วขณะที่พระาจารย์ทิวามีภรษาเพียงยี่สิบภาษา